อ น, นะวันนี้ก็ขอกล่าวถึงเกี่ยวกับเรื่องกรรมกรรมต่อไปนะข้อเรื่องกํากรรมถ้าได้ ก, มมกรรมตกตานี่ก็ชีวิตเนี่ยสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วล่ะเพราะชีวิตของเราส่วนไหนบ้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับกรรมข้อความในทนาญชานิสูตรคําว่าทนาญชานิเนี่ยเป็นเป็นตำแหน่งอ่ะนะเป็นตําแหน่ง ตำแหน่งนงอนอ่านในใจวิเดกจะเจอบอกว่าธนันชานีธนันชานีบ่อยๆ อ, อันนี้เพราะมันเป็นตำแหน่งข้าพาเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเวลุวันสวนที่ใช้เลี้ยงกระแตเขตพระนครราชครึกครั้งนั้นแลท่านภาษารีบุตรเที่ยวจาริกไปในทักคินาคิริชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงหมู่ใหญ่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 พิสูจน์ใช่พระองค์เนี่ยประทับอยู่ที่เมืองราชเครือพิสูจจากเมืองราชเครือไปหาพระสารีบุตรนะก็ถ่ายถามถึงพระผู้มีพระภาคก่อนพิสูุนั้นกล่าวเปลี่ยนว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงพระประชวรและยังทรงพระกำลังอยู่ท่านผู้มีอายุะนะพระสารีบุตรก็กล่าวว่าท่านผู้มีอายุก็พิกษุทรงไม่ป่วยไข้และมียังมีกำลังอยู่หรือ ภิกษุรูปนั้นก็ตอบว่าภิกษุสงฆ์ก็ไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังอยู่ท่านผู้มีอายุ น, นะนคำว่าผู้มีอายุแปลว่าอาวุโสแปลเป็นบาลีก็คืออาวุโสสมัยที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ดับขันปรินิพพานทุกคนคุยกันนะพระทุกรูปจะคุยกันก็คือใช้คำว่าอาวุโสหมดเลยนะแปลว่าผู้มีอายุว่า ง, งท่านผู้มีอายุแต่พอพระผู้มีพระภาคโยนจะดับขันปรินิพพาน พระองค์ให้กล่าวว่าพระผู้มีพรรษาน้อยพูดกับพระผู้มีพัรษามากให้ใช้คำว่าพันเตแปล ว, ว่าท่านผู้เจริญพระที่มีพรรษามากพูดกับพระผู้มีพรรษาน้อยใช้คำว่าอาวุโสแปลว่าผู้มีอายุนะผู้มีอายุเนี่ยไม่ได้แปล ว, ว่าแก่กว่านะนะแต่ว่าเป็นคำค้าให้เกียรติหน่อยนะทีนี้ ท่านภาษาริบุตรก็เลยถามต่อไปว่าแม้ธนัญชานิพราหมณ์ก็ไม่ป่วยไข้และยังมีกําลังอยู่อยู่หรือว่างั้นเรถามถึงโยมคนหนึ่งอนะซึ่งเคยเสนิทกันมากว่างั้นพิสุรุมนั้นก็ตอบว่า <ride izers> แม้ธ น, นัญชาญิพราหม์ก็ไม่ป่วยไข้และยังมีกําลังอยู่ท่านผู้มีอายุแล้วก็ถามต่อไปว่า <es> เอ <asses> เอท่านผู้มีอายุธนัญชานิพราหม์ยังเป็นผู้ Bloody ไม่ประมารหรือนะยังเขาเป็นยังไงเขาประมาทหรือเปล่าทุกวันเนี่ย พิสุรุมนั้นก็ตอบว่าที่ไหนได้ท่านผู้มีอายุวังนั้นทนัญชาญิพราหมณ์ของเราจะไม่ประมาทเพราะเขาอาศัยพระราชาก็คือแปลว่าที่ไหนได้ผู้มีอายุธนัญชานีพราหมณ์จะไม่ประมาทวังนั้นตอนนี้เขาประมาทมากวังนั้นก็คือเขาอาศัยพระราชาเที่ยวปล้นพวกพราหมณ์และครหาบดีอาศัยพวกพราหมณ์และครือหาบดีปล้นพระราชา ภรยาภริยาของเขาผู้มีศรัทธาซึ่งนํามาจากสกุลที่มีศรัทธาทํากาละเสียแล้วเขาได้หญิงอื่นมาเป็นภรรยาหาศรัทธาไม่ได้เขานํามาจากสกุลที่ไม่มีศรัทธาทุกวันนี้ประมาทมากเหว่างนันอาศัยพระราชาปล้นชาวบ้านปล้นพราหมณ์ปล้นเครือขาบดีเขาทํายังไงเขานี้เป็นเจ้าหน้าที่เก็บภาษีาก่อนพระราชาบอกอ้าวด้เวลาไปเก็บภาคหลวงนาละ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 พระราชาวันนั้นแล้วก็ภรรยาที่เคยมีศรัทธามีกรรมสกตาศรัทธาเชื่อบุญเชื่อกรรมกตายนี้จากไวนะ้แล้วก็ได้ภรรยาอีกคนหนึ่งซึ่งไม่มีศรัทธาไม่ได้เ ช, ชื่อบุญเชื่อบาปอะไรสักอย่างก็ไปมันปีเป็นคุยเลยอะ่ะมันคนรอบข้างมีความสําคัญมากว่าคนนั้นจะเจริญกุศลได้ดีหรือไม่ดีนะถ้าหาว่ามีคนที่คอยขวางอยู่ตลอดเนี่ยการเจริญกุศลก็ค่อนข้างยาก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 ครั้งนั้นท่านภาษารีบุตรอยู่ในทักษิณาคิรีชนบทตามควรแล้วจึงหลีกจาริกไปในพระนครราชเครื่อเที่ยวจาริกไปโดยลําดับถึงพระนครราชครื่อแล้วได้ยินว่าสมัยนั้นท่านภาษารีบุตรอยู่ณพระวิหารเวลุวันส่วนที่ใช้เลี้ยงกระแตกใกล้พระนครราชครืคร่อครั้งนั้นเวลาเช้าท่านภาษารีบุตรนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปยังพระนครราชครื่อ สมัยนั้นธนัญชานิพราหม์ใช้คนให้รีดนมโคอยู่ที่โคโคภายนอกพระนครท่านภาษารีบุตรก็เที่ยวบินธบุรไปในนค ร, จจครราชสีมาเพื่อายหลังพัดกลับจากบินธบุรแล้วก็เข้าไปหาธนัญชานิพราหม์ถึงที่อยู่ธนัญชานิพราหม์ได้เห็นท่านภาษารีบุตรกําลังมาแต่ไกลจึงเข้าไปหาท่านภาษารีบุตรและได้กล่าวว่านิมนต์ดื่มน้ํานมสดทางนี้เถิดท่านภาษารีบุตรท่านยังมีเวลาฉันอาหารมังไง มนชันนมสดก่อนส า, ารีบุตรก็กล่าวว่าอย่าเลยพราหมณ์วันนี้อาตมาทำพัฒกิจเสร็จแล้วนะจากพลางเรียกว่าจากพักกลางวันที่โคนต้นไม้นูน้นเบอกฉันเตรียบร้อยแล้วจะไปพักที่โน่นนะเพราะฉะนั้นท่านพึงมาในที่นั้นจะไปคุยกันหน่อยเหนนทนาญชานิพราหม์ก็รับคำท่านภาษาบุตรแล้วครั้งนั้นทนาญชานิพราหม์บริโภคอาหาร เวลาเช้าเสร็จแล้วได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรได้ปราศัยกับท่านพระสารีบุตรครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านพระสารีบุตรได้ถามธนัญชานิว่าท่านเป็นผู้ไม่ประมารหรือนะถามตรงตเลยนะเป็นไงประมาทไหมทุกวันเนี่ยจเจริญกุศลอยู่หรือเปล่าธนัญชานิพราหมณ์ก็ได้ตอบว่าข้าแต่ท่านพระสารีบุตร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 เปตชนส่งไปให้ปบพระเปตชนต้องทำการบวงสวงแก่พวกเทวดาต้องทำราชการให้แก่หลวงแม้กายนี้ก็ต้องให้อิ่มน้ำต้องให้เจริญอย่โอ้เหตุผลในความประมาทนี่มากอย่างนั้นพลานาได้หยดย้อยเลยนะทำไงลูกก็กาลังเรียนอยู่อะไรคล้ายๆแล้วพนาเนี่ยจะไม่ประมาทได้ยังไงแสดงว่าเขาเข้าใจความหมายคำว่าประมาทนะคะรับเจน่าน ก็คือการประมาทก็คือการปล่อยใจไปกับบาปอากุศลนั่นเองปล่อยให้ใจเป็นไปกับบาปอากุศลหมกมุ่นอยู่ในการมคุณหหรือว่าการทำทุจริตอย่างใดอย่างหนึ่งก็เชื่อว่าประมาทแล้วท่านธนัญชานิภาษารเบทก็กล่าวว่าธนัญชาน้ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉไหนะ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ประพฤติชอบรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งมารดาบิดานายนิรยบาลจะพึงฉุดคร่าเขาผู้นั้นไปยังนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติไม่ชอบธรรมนะเพราะเหตุแห่งการประพฤติผิดธรรมเขาจะพึงได้ตามความปรารถนาหรือว่าเราเป็นผู้ไม่ประพฤติชอบรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งมารดาบิดาขอนายนิรยบาล อย่าพึ่งฉุดค่าเราไปนรกเลยนะโอ้ยที่ไปทำบาปทำกรรมมากับพ่อพ่ อ, พ, อพ่อแม่หรอกทาไมทำพ่อแม่ก็ไม่มีกินอย่างเงี้ยนะ น, ะนยายนายบาลเขาฟังเราไหมหรือว่าพ่อแม่ของผู้นั้นนะ่ะนะพ่อแม่ไปช่วยอ้อนวอนนายนิยาบาลว่าอย่างนั้นนะพอบิดามารดาของผู้นั้นจะพึงได้ตามความปรารถนาว่าผู้นี้พึงเป็นผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งเรา ขอนายนิรยาบาลอย่าเพิ่งฉุดคร่าเข้าไปในรลกเลยว่าน้นเขาทําพ่อพ่ อ, เ, อ, อเขาทําพ่อแม่นะว่าไงสงเคราะห์เขาหน่อยพอนอนหน่อยได้ไหมหรือว่าอย่าไปให้บาปเลยอย่างเงี้ย ถ, ถ้าเราถ้าเป็นเราเนี่ยตอบว่าไงทานานชานี่ก็บอกไม่เป็นอย่างนั้นท่านพระสารีบุตรที่แท้ถึงผู้นั้นจะคร่าควรวญมากมายนายนิรยาบาลก็จะพึงโยนลงนรกจนได้นั่นแหละ สรุปแล้วไม่มีเหตุผลเขาอ้างล้อท่านนะก็ปตาตริบทท่านก็ฉลาดนะท่านไม่พูดเองอ่ะนะให้เขาตอบเองอ่ะนะให้คนเขาทําเนี่ยเขาตอบเองด้วยเหตุผลของเขาอ่ะนะว่าอที่ยุติธรรมจริงๆอ่ะมันคืออะไรคือสมัยที่เรียกว่าเป็นกาลสมบัติอ่ะนะเป็นสมัยที่คนมีสติมีปัญญามีบุญมีอะไรได้ไปอยู่ใกล้เคียงกันนะเพื่อที่จะช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่กัน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 ผ่อ น, นหน่อยนะไม่งั้นอย่าเอาไปนรกลึกๆเลยอย่างเงี้ยทำได้ไหมไม่เช่นนั้นท่านพระสารีบุตรที่แท้ถึงผู้นั้นจะขําครวนมากมายนายนริยาบาลก็จะพึงโยนลงในในรกจนได้คือถ้าหากว่าที่เอาสูตรนี้มากล่าวเพราะว่าทุกวันนี้ไปที่ไหนก็ตามทุกคนก็จะมีเหตุผลที่ตัวเองจะหมกมุ่นอยู่กับบาปกับอกุศลตลอดทุกคนก็จะให้เหตุผลว่ามีเหตุผลที่ฉันทาชั่ว ก็มีเหตุผลหมดเลยไม่มีใครที่ไม่มีเหตุผลนะจะ ก, กินเหล้าสักมือหนึ่งก็ยังมีเหตุผลเ่ยผ่อนคลายบ้างสังอก็เรียกว่าสร้างสารรค์บ้างสังคมบ้างอะไรบ้างอะนะเอาเหตุผลมาจนได้เนี่ยแหละจนทําชั่วจนได้อะนะนนี่เหตุผลของเขาเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่เขาเขาไว้หลอกตัวเองเขาเขาจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนใจแต่ว่าในเหตุผลอันนั้นเนี่ยนะถ้าให้คนอื่นเป็นคนตัดสินอันนั้นเนี่ย คนอื่นเขาก็ต้องปฏิเสธอตัวของเขาเองก็เหมือนกันนะถ้ามีตัวคนสองคนเนี่ยนะถามกันด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยนะสมมุติว่ามีมีคนสองคนใช่ไหมถามมาสมมตุติเอ๊ะที่ฉันทําเนี่ยบุญหรือบาปสมมตุติเหมือนกับตัวเองเอีกคนหนึ่งไปตอบเ่ยบาป <c oughs> มันทีบุญบุญอย่างเงี้ยบางีมันก็ตะขิดตะขวงใจใช่ไหมดงนั้นถ้าหากว่าคนที่มีความซื่อสัตย์แต่ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะฟอกตัวเองได้ ถ้าหากว่าซักฟอกตัวเองไม่ได้กรรมสักกตาก็เกิดไม่ได้เช่นเออที่พูดนี้เป็นกุศลหรืออกุศลถ้าหากว่าจิตขณะนั้นเป็นอกุศลบอกกุศลกุศลถ้าอย่างนี้ก็กรรมสักกตาก็ก็ขาดแล้วใช่ไหมก็แสดงว่ามีความเข้าใจผิดว่าจะเอาอากุศลเนี่ยไปให้ผลเป็นสุขอีกใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราถามเองตอบเองว่าเออที่ทํานี่เป็นกุศลหรืออกุศลจิตมันตอบเลยนะมันเรียตอบมันกลัวบาปบอกกุศลกุศล บอกเออถ้ากุศลมันจะให้ไปเกิดสวรรค์ชั้นไหนมันตอบไม่ได้นะมันมั น, ม, นมันไม่ใช่กุศลจริงๆอ่ะใช่ไหมถ้าเป็นกุศลจริงๆปั๊บเนี่ยนะมันค่าๆกัดน้อมไปในภพใดก็ได้น้อมไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีน้อมไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆอะไรก็ได้แต่ทีนี้มันเป็นอกุศลปับ๊บจิตมันก็จะเกิดฮิริโอตปะเกิดขึ้นนะเอะจิตจริงๆขนาดนั้นเป็นอกุศลนี่ใช่ไหมถ้าหากว่าผู้ที่ศึกษาพระธรรมมาแล้วก็ ก็ทั่วไปเนี่ยนะเหมือนกับที่เราไปถามใครว่ะเออขนาดนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเห็นดอกไม้นี่เป็นกุศลหรืออกุศลคนทั่วไปก็บอกเอ้ฉันก็ไม่ได้ทาบาปอะไรนี่ใช่ไหมเนี่ยเห็นดอกไม้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลแล้วแต่คนคิดแต่ละคนนะนะอ่าแล้วแต่ใจใครใช่ไหมอันนะเอาเป็นขณะขณะเลยเพราะว่าจิตเนี่ยมันมันมันเกิดเป็นเรื่องเป็นเรื่องใช่ไหม จิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องเดียวตลอดเลยนะมันเป็นเรื่องๆอขณะทางตากับทางหูเนี่ยอย่างหนึ่งัจิตทางหูกับจิตทางกายก็อย่างหนึ่งจิตทางกายกับจิตนึกคิดก็อย่างหนึ่งคนละทวารเลยเรียกว่าพูดทวาร น, นะคนละทวารเมื่อคนละทวารก็ต้องคนละอารมณ์ทีนี้ในขณะที่เรามีดอกไม้เป็นอารมณ์เนี่ยใช่ไหมเป็นกุศลได้อย่างไรเราก็เอาหลักของหลักการของเรามาจับก่อน ถ้าเป็นกุศลจิตในขณะนั้นต้องเป็นไปกับทานศีลและภาวนาถ้าเป็นทานนี้ก็คือเจตนาที่คิดจะให้ขณะนั้นเห็นปุ๊บคิดจะให้นี่เป็นลักษณะของทานกุศลถ้าเป็นศีลกุศลก็อาจจะให้เหมือนกันแต่ให้ปรารภในลักษณะอะ น, นะบรรทบบุบรุษอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นเป็นลักษณะว่าเป็นประเพณีของเราที่ที่เราเคยทามา พอแม่ปูตาปูหญาตายายตั้งไว้แบบนี้เราต้องทําตามแบบเนี้ก็เอาไปบูชาอย่างเงี้ยก็เป็นศีลกุศลนะหรือถ้าหากว่าเป็นภาวนากุศลก็บอกว่าดอกไม้เนี่ยใช่ไหมที่มันสดอยู่ได้เพราะอาศัยน้ำใช่ไหมเข้าไปหล่อเลี้ยงให้มันชุ่มชื้นอยู่ต่อไปถ้าน้ําเป็นต้นหมดดอกไม้ก็ถึงความเหี่ยวนะสีอันนี้ก็ต้องแปลสภาพไปแม้แต่ว่าดอกไม้เนี่ยนะ ขนาดไม่มีใจครองมันยังเหี่ยวฉันได้นะแล้วภายในจะอยู่ได้หรือใช่หัหยตาของเราจะอยู่สภาพแบบนี้ตลอดไปไหมจิตเห็นจะอยู่ต่อไปตลอดไหมก็เริ่มพิจารณาเหตุผลเหตุปัจจัยต่างๆอันนี้ก็เป็นลักษณะของภาวนากุศลบอกเออความคิดที่ทันพูดไม่มีเลยถ้าไม่มีแล้วจะเป็นอะไรก็เป็นอกุศลอกุศลก็แบ่งออกเป็นโลภะโทสะและโมหะนะ ถ้าเป็นโลพานั้นน่ะ mm hmm. เห็นดอกไม้แบบไห น, นจริงจะเป็นโลพา mm hmm. เห็นาโอ้โหดอกไม้นี่งามมากเลยเนาะดอกไม้นี่งามมากสีงามมากเลย mm hmm. ถ้าได้มาประดับอย่างเงี้ยนะ mm hmm. ถ้าได้ไปปลูกที่บ้านตักต้นหนึางอะไรพวกนี้เป็น mm hmm. โลพาถือว่าเป็นสุภานิมิตใส่ใจในความงามของสีแต่ถ้าหากว่าใครมาวางไว้เกะกะน่าดูเลยทำคานตาอันนี้เป็น โทสนะเห็นแล้วก็ไม่สนใจเลยนะแต่ก็เห็นนะแต่ก็เรียกว่าไม่คิดอะไรเลยส่วนใหญ่ก็เป็นอุเบขานิมิตเพราะฉะนั้นจิตทนั้นส่วนใหญ่เป็นโมหะนะแต่ถ้าเห็นแล้วไม่ถึงกับชอบไม่ถึงกับชังก็แต่ก็ดูได้ไม่ระคายเคืองตาพวกนั้นเป็นโลพาอุเบขาอนะันั้นก็จะเป็นโลภาประเภทอุเบคาไปไม่ถึงกับโสมันนะแต่ถ้าดอกไม้ที่เราประทับใจส่วนใหญ่ก็จะเป็น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 สติประฐานสูตรกล่าวว่าอย่างไรบ้างนะพยายามคิดถึงตามคำสอนไปก่อนคำสอนกล่าวว่าอย่างไรหรือจ ะ, อะหรือว่าจะคิดแบบแล้วแต่สติมันจะเกิดถ้าใช้คำนี้ถูกไหมสติก็มีอาหารถ้าเราไม่น้อมนึกถึงพระธรรมอย่างไรอย่างหนึ่งเนี่ยสติไม่มีอาหารให้เกิดเพราะสติก็เกิดด้วยปัจจัยนดะังนั้นการ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 แต่เวลาใกล้จะจุติเอาการเอาเอาคเรียกว่าเป็นการเป็นงานเข้าจริงๆเนี่ยรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยประมาทนะที่ผ่านมาใช้ชีวิตประมาทตลอดเขาเรียกว่ามัวแต่เลือกเก็บดอกไม้มาอยู่นะฉั้นสีสันเหล่านั้นๆเนี่ยถ้าเราไม่พิจารณาจริงๆเนี่ยสภาพจิตเราก็เศร้าหมองฉั้นถ้าจิตเศร้าหมองเนี่ยไปไหนดี mm hmm. นัน่ะ น, ะ, นะถ้าจิตเราเศร้าหมองเนี่ยนะคนอื่นไม่แช่งมันน่าจะตกนรกแ น, นนะ ถ้าหากว่าเราเจริญกุศลขั้นภาวนาไม่เป็นนี่ถ้าไปเกิดในสุขตินี่เป็นเกิดในสวรรค์นี่นะคงจะทําไม่มีโอกาสให้ทานเลยเจนพอนมม่มีโอกาสไม่จำเป็นต้องรักษาศีลไม่ต้องมีไม่มีการให้ทานเลยเลใช่ไหมครับเยะถ้าไม่มีภาวนาเยอะเมกันนะใครจะรับเจนว่าไปบางประเทศเนี่ยนะเราจะเลี้ยงอาหารใครสักมื้อหนึ่งไม่ใช่ว่าเขาจะทานให้เรานะเขาก็ถือว่าเขาทํางานเองได้ เขาก็าไม่ทานของไครนะเพราะอย่าไปคิดว่าจะให้ทานได้ทุกแห่งอ่ะเวในอินเดียไม่ให้ไม่ผิดหวัง <c oughs> แต่ถ้าบางประเทศเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะรับเอาของเรานะนั่นแหละแล้วถ้าหากว่าเราไม่ฝึกในการเจริญมองอะไรให้มันเป็นกุศลนะเราศึกษาคําสอนเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะขอจะมาบอกว่าน่าสงสารตัวเองเลยนะถ้าหากว่าเรามองเห็นอะไรแล้วจะคิดเป็นกุศลไม่ได้เนี่ยเราเนี่ยน่าสงสารที่สุดเลย เหมือนกับคนที่อยู่กับโรงยานะได้แต่กลิ่นยาแต่ว่าไม่ได้กินยาเลยก็น่าน่าสงสารที่สุดแสดงว่าโยนิโสมนัสิกานไม่เป็นเจนริญพรก็คืออโยนิโสมนัสิการไม่เป็นก็คือเขาพูดบอกว่าเอาพระธรรมมาใช่ไม่เป็นเจนริญพรไม่มีโยนิโสมก็คือไม่รู้จักใช้พระธรรมที่ศึกษามานั่นเองเพราะโยนิโสมอาศัยอาหารคือการฟังพระสัตธรรมเป็นต้นนั่นเองนั่นแหละ นันถ้าฟังทำแล้วเอ้ยฟังเมื่อสิบวันก่อนเสร็จแล้วอยู่อมันโผล่ขึ้นมาเองกุศลโผล่ขึ้นมาเองอันนี้ไม่ใช่ต้องน้อมน้อมบ่อยๆแล้วกุศลจริงจะเกิดแต่ถ้าฝึกน้อมจนชำนาญเนี่ยแทบไม่ต้องนึกเลยนะมันจะไปเป็นช่องเป็นช่องกขอให้ฝึกอั้นความคิดเราแล้วแต่เราจะน้อมไปน้อมไปเพื่ออะไรนะอย่างอย่างพระผู้มีพระภาคเนี่ยก็ได้ยินนะถ้าใครอ่านพวกปุเพนิวาสานุสติยานหรือจุตูปปาตยานต่างต่าเมื่อจิต